you <laughs> พาการพระกุญเจ้าที่เคารพแลวก็นโมทนาบุญกับญาติธรรมผู้ที่สนใจปักไปในการปฏิบัติธรรมทุกท่านวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งครั้งที่สี่เนาะมาพบกันในถ้ำกลางสายฝนที่โปรยมาทั้งคืนมันก็ต้องมีอุปสรรคบ้าง เ, เวลาฝนตกเนี่ยการ เดินทางไปมาจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งก็ต้องมีการเปลียป่ยนกระเด็นธรรมดาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่อยู่รอบตัวเราเราสามารถเรียนรู้มาเปลี่ยนเทียบกับชีวิตของเราได้อย่างฝนตกเนี่ยฝนที่ตกลงมาเนี่ยบางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบในใครคิดว่าฝนที่ตก แล้วเราเปรียบฝนเนี่ยเป็นอุปสรรคกับชีวิตบ้างยกมือขึ้นสิไหนใครว่าฝนตกลงมาเนี่ยจะไม่เป็นปัญหากับเราเลยไหนใครยังไม่ยกมือยกมือขึ้นถ้าใครเห็นว่าฝนตกมันเป็นปัญหากับชีวิตเราแสดงว่าเราไม่รู้จัก เราไม่รู้จักความจริงของธรรมชาติแต่ถ้าใครเห็นว่าฝนตกเป็นเรื่องธรรมดาไม่ได้เป็นปัญหากับเราเลยแล้วก็แก้ปัญหาในะตรงนี้ซะคนนี้แสดงว่าเข้าเข้าถึงความเป็นธรรมชาติมากขึ้นดินฟ้าอากาศที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวฝนเดี๋ยวมีพายุได้มีแผ่นดินไหวนั่นคือเรื่องธรรมดาธรรมชาติที่เราต้อง เรียนรู้เอาไว้การเห็นแจ้งในธรรมหรือการเข้าถึงธรรมก็คือการเข้าถึงความเป็นธรรมดาของสิ่งทั้งหลาทั้งปวงนั่นเองถ้าใครไม่เป็นทุกข์กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเป็นธรรมดาแล้วบุคคลนั้นถือว่าเป็นคนที่เข้าถึงธรรมแล้วถ้าใครเป็นทุกข์เพราะสิ่งที่เกิดขึ้น โดยธรรมชาติธรรมดาถ้าใครยังไม่ทุบดูแสดงว่าเรายังไม่รู้จักธรรมะเช่นเราเวลาเร า, เรานั่งใกลๆใครสักคนหนึ่งคนนั้นเ้าบน่นอึดอัดมันร้อนบ้างมันหนาวไปบ้างมันฝนตกบ้างคนที่บน่นอึดอัดและรำคาญนั่นแหละคือคนที่ยังไม่เข้าใจชีวิตไม่เข้าใจความเป็นธรรมดาแต่ถ้าใครเจอกับอากาศที่มันไม่สดชื่น มันเย็นเกินไปมันหนาวเกินไปแล้วใจเป็นปกติหรืออาหารไม่อร่อยที่นอนไม่ดีคนวุ่นวายแล้วใจเป็นปกติได้บุคคลนั้น้ป็นคนที่เข้าถึงธรรมะถ้าใครเป็นทุกข์กับสิ่งเหล่านี้อยู่ก็ไม่เป็นไรหรอกเรามีสติเราให้รู้ทันเจอว่าอ๋อนี่เราไม่ชอบเรามีสติแสดงว่าเราได้ปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยเราก็มาฝึกปฏิบัติตรวเนี้ย ฝึกขกับสิ่งที่มันไม่ถูกใจเราเนะี่ยคือการฝึกจระสติได้ดีนะคอยสังเกตใจเราให้ดีการสังเกตใจเราคือการมีสติเวลามีการกระทบจากสิ่งภายนอกใจเราจะบอกว่าชอบใจหรือไม่ชอบใจให้เราสติรู้ทันถึงเวลามันชอบใจเราก็รู้เราได้ฝึกสติเวลามันไม่ชอบใจเราก็รู้ ไม่ได้ฝึกสติแล้วเวลาเราเจอสิ่งที่ชอบใจถ้าเราขาดสติจิตก็จะหลงไปกับสิ่งที่ชอบใจแล้วเราไม่มีสติแต่ถ้าสิ่งที่ไม่ชอบใจมากระทบปั๊บถ้าเรามีสติรู้ทันจิตจะปกติถ้าเราขาดสติแล้วก็หลงไปความที่ไม่ถูกใจนั่นแหะมันก็เป็นทุกข์ไปอารมณ์ข้างนอกที่มากระทบเรา บางทีเราก็เลือกไม่ได้เราห้ามไม่ได้เราต้องเจออารมณ์เราครับแต่ที่เราจะเลือกได้คือเราจะเลือกว่าเราจะรู้ทันหรือไม่รู้ทันเท่านั้นถ้ามีสติรู้ทันใจก็จะไม่ทุกข์ถ้าขาดสติเมื่อไหร่ล้วก็ใจเราจะเป็นทุกข์กับสิ่งที่เราเลือกไม่ได้สถานที่ที่ไม่ไม่ชอบใจอาหารที่ไม่อร่อยที่นอนนอนไม่สบาย หรือคนรอบข้างที่ไม่ถูกใจซึ่งเราเนี่ยมันเป็นบทเรียนให้เราเจรติเพื่อพัฒนาจิตทางนั้นเยอย่าไปโทษแต่สิ่งภายนอกที่มาทำให้เราไม่ชอบใจแม้แต่ตัวเราเองบางทีเราก็ไม่ชอบใจตัวเราเองเหมือนกันตัวเราเองเรายังไม่ชอบใจแสดงว่าเรายังไม่เข้าใจตัว เ, เองยังไม่รู้จักตัวเราเองเล ย, เลยการปฏิบัติธรรม การเจริญสติหรือการทำความสึกตวัวมันก็มีปัญหาทั้งนั้นแหละการที่เรามายกมือเคลื่อนไหวไปมาหรือเดินจงกลมปัญหาแรกที่เราต้องเจอก็คือความปวดเมื่อยของร่างกายความปวดเมื่อยเป็นเรื่องธรรมดาไหมได้เป็นเรื่องแปลกใหม่สำหรับเราทำไมเวลาเราไม่ไปฏิบัติ ไม่ได้มาเกิดสติที่นี่มันไม่ปวดเมื่อยหรอกเลยบางทีมันปวดเมื่อยมันเจ็บมากที่เราปฏิบททัติพุทสานไปแต่เราไม่มีสติเราไม่รู้ <S <S 1> <S 1> เวลามันปวดมันเมื่อยตอนที่เราไม่ไม่ได้มาปฏิบัติที่นี่แล้วก็เปลี่ยนเพราะเราไม่รู้แล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนไปด้วยความเคยชินเปลี่ยนอิริยาบถด้วยความเคยชินนั่นเราไม่รู้ตัว บางทีอาการมันรุนแรงมากกว่านี้ที่ซ้ำไปแต่เราไม่รู้ตัวเราเปลี่ยนไปแล้วไม่รู้ตัวแต่เวลาเรามาปฏิบัติเนี่ยอาการนิดเดียวเนี่ยเพราะเรามีสติเราเห็นมันชัดเจนขึ้นมันจึงแรงียรู้ว่ามันรุนแรงมาก mm. ถ้าเราเห็นว่าความปวดเมื่อยเป็นเรื่องธรรมดาเรามีสติรู้น่าจแปลว่าเราเป็นผู้ดูแล้ว mm. เรามีสติรู้อ๋อนี่มันปวดที่หน้าร่างกายเนาะเป็นเรื่องธรรมดาแต่สตินี่ไม่ได้ปวด สติหรือจิตใจเนี่ยเป็นผู้ที่รับรู้และทราบเอาไว้ความทุกความปวดเป็นเรื่องของร่างกายให้รู้เถอะอันนี้คือเป็นเรื่องธรรมดาแต่ใจที่รับรู้ใจทำหน้าที่รู้เนี่ยเห็นไหมใจทำหน้าที่รู้ร่างกายทำหน้าที่ปวดให้มันแยกกันอย่างนี้นี่ยในการฝึกฝึกให้รู้เท่าทันอาการปวดทาร่างกายบ่อยๆมันจะเกิดเป็นผู้ดู เป็นผู้เห็นความปวดใจเป็นผู้เห็นความปวดร่างกายเป็นผู้ปวดมันจะแยกกันระหว่างกายกับจิตเลยนะนี่แหละคนเราชอบแยกกายแยกจิตมันต้องเริ่มจากการแยกตรงนี้แแยกไวเห็นกายปวดแต่ใจเนี่ยไม่ได้เป็นผู้ปวดเป็นผู้เห็นหลวงพ่อคำเขียนบอกว่าเป็นผู้ดูกับเป็นผู้เป็นมันต่างกันมาก แวลาความปวดมาสอนธรรมะให้กับเรานะให้เรารู้ความจริงของร่างกายว่า ม, มันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์เราไม่สามารถจะบรรคับปัญชามันได้ที่เรานั่งแล้วมันปวดเนี่ยดีแล้วมันเป็นเรื่องธรรมดาร่างกายต้องเป็นอย่างนั้นกายที่เป็นปกติต้องปวดถ้าอย่างผมเนี่ยเป็นอาภาดอย่างเนี้ยไม่รู้สึกปวดหรอกเอาไหม เป็นอย่างผมไหมผมนี่ไม่ค่อยปวดเพราะผมไม่ธรรมดาไม่เป็นธรรมชาตถ้ามันปวดให้มีสติรู้ว่าปวดเราได้สติแล้วหนึ่งนะแล้วต่อไปก็ค่อยๆเปลี่ยนยานบวอย่างมีสติเปลี่ยนไปท่านั่งที่มันหายปวดเนี่ยเราจะได้สติถึงสองครั้งเลยถ้าคนขาดสติจะเป็นทุกข์เพราะว่าไอ้ความปวดเนี่ยเพราะว่าเราเข้าไปยึดมั่นถือเปว่ า, วาเราเป็นผู้ปวด ถ้ามีสติรู้ทันในความปวดนั้นแล้วก็เปลี่ยยังมีสติเราจะเห็นความปวดนี่มันไม่เที่ยงมันเกิดขึ้นแล้วมันดับไปเวลาเราเปลี่ยนไปปั๊บความปวดมันก็หายไปแต่ว่าความเจ็บปวดเนี่ยมันก็ไม่เที่ยงเอาความปวดทุกเวทนาทางกายเนี่ยมาเป็นบทเรียนมาเป็นแบบฝึกหัดในการเจริญสติเลยก็อดทนสักหน่อยกับความเจ็บไข้ได้ปวด่วย ความปวดทาร่างกายทนสักหน่อยหนึ่งแล้วใครมีสติและเปลี่ยนเราฝึกทนตอนนี้ดีกว่าการที่เราไปทนอีตอนที่เราจะตายก่อนจะตายในทุกเวทนามันจะมากเราจะทนได้ไหมเนี่ยฝึกตรงนี้เอาไว้เพื่อเอาไว้ไปใช้ตอนที่มันเกิดทุกเวทนามากกว่า น, นี้ทุกเวทนาไม่ใช่ปัญหานะมันเป็นสิ่งที่ช่วยเรามีสติ ไม่ใช่ปัญหามันก็เป็นเรื่องธรรมดาเหมืออยางความแก่ความตายนั่นแหละอันนี้คือไม่ใช่ปัญหาต่อมาก็คืออย่างนี้คือความง่วงความง่วงเป็นปัญหาไหมความง่วงเป็นเรื่องธรรมดาถ้ามันไม่ง่วงเด็กเราจะเดือดร้อนนะเราจะต้องกินยายให้มันหลับบางคนไม่ง่วงเนี่ยน่าสงสารไม่หลับ ตอนที่เราไม่ได้มาปฏิบัติอย่างนี้เราไม่ง่วงหรอกหรอแต่เราไม่รู้ทันนะครถึงเวลานอนบางทีเราก็ไม่นอนนะเราไม่รู้ทันในความร่งที่เกิดขึ้นเนี่ยบางทีเราดูทีวีดูฟุตบอลดูละครดูหนังมันดูมันง่วงก็ง่วงแต่ใจมันอยากจะดูเพราะเรามีสิ่งที่ทาแล้วเราชอบใจเราจึงลืมความง่วงเราหลดเราหลงว่าเราไม่รู้เท่าทันความง่วงแล้วก็หลงไปทำในสิ่งที่มัน ไม่ทําให้มันง่วงทั้งสองอย่างเราไม่มีสติเลยอแต่พอเรามาเจริญสติพอความม่วงเกิดขึ้นนิดเดียวนะั่นแะเราก็เห็นมันชัดเจนมากแสดงว่าเราสติมีสติมากแต่เรากลับไม่ชอบใจไม่อยากให้มันง่วงไอ้ความไม่ชอบใจนั่นแหละให้เรามีสติรู้ทันด้วยเราก็เล่นเกมมันเกิดความม่วงขึ้นมาถ้าเรารู้ทันเราได้คะแนนแล้วสติ นี่เราจะทํายังไงที่จะเอาจิตออกจากความง่วงให้ได้เนี่ยเกมเนี้น่าสนใจนะไป็นเกมทำให้เราเกิดปัญญามันไม่มีตัวตนหรอกแล้วความง่วงมันเที่ยงไหมเราง่วงทั้งวันทั้งคืนไหมให้เห็นความง่วงว่าไม่เที่ยงเธอเห็นความง่วงว่าไม่มีตัวตนที่แท้จริงเลยรเราจะเกิดสติปัญญาเราจะต้องไม่เป็นทุกข์เพราะความวง่วงอย่าไปลังเกีความวง่วง ความง่วงมาสอนทำ ม, มาให้กับเราให้เราเกิดสติให้เกิดปัญญาถ้าเราไปฏิบัติแล้วเจอความง่วงแสดงว่าเรามาถูกทางแนละ้วถ้าไปฏิบัติทั้งวันไม่ง่วงเลยกลางคืนมันก็จะไม่ง่วงเหมือนกันนะมันจะเดือดร้อนเวลาเรานั่งยกมือสั่งจวงหวะแล้วง่วงให้เราทำเร็วๆหน่อยถ้าไม่หายก็ใหปลุกไปเปลี่ยนเอียบดไปเดินจงกรมซะ ไปเดินในที่แจ้งๆมองไกลๆเดินเร็วๆสักหน่อยถ้าไม่หายลองไปเดินเดินข้างๆรูปกกรงถ้าง่วงเมื่อไหร่มันก็จะร่วงเหมนนั้นสติจะดีมากเลยเพราะกลัวร่วงมันจะขายง่วงอย่าไปเดินใกล้ที่นอนอย่าไปเดินใกล้หมอนประเดี๋ยวผีที่นอนผีหมอมันดูดเข้าไปนอน ไม่ต้องกลัวความง่วงนะขอบคุณมันที่มันยังง่วงมันยังปกติอยู่แล้วก็มีสติรู้ทันความง่วงก็ดีความขี้เกียจก็ดีถ้ามันเกิดขึ้นเนี่ยเราก็ยิ้มเลยมันเกิดความขี้เกียจหรือเกิดความง่วงให้มีสติรู้ทันแล้วก็ยิ้มเลยมาแล้วเพื่อนเก่ามาแล้วเพื่อนเก่ามาแล้วเนี <c oughs> ่ยถ้ามีสติรู้ทานสนุกกับการปฏิบัติได้ทำไปจะปฏิบัติอย่างมีความสุขนะ ความคิดที่มันเกิดขึ้นขณะที่เราปฏิบัติเนี่ยมันเป็นปัญหากับเราไหมความคิดเป็นเรื่องธรรมดานะความคิดเป็นเรื่องธรรมดาถ้าาเรามีจิตมีใจมันก็ต้องคิดนะ่ะคนไม่มีจิตไม่มีใจเนี่ยมันไม่คิดหรอกคือคนตายแล้วคนตายคือคนไม่คิดหรอกเอาไหมเราไม่ต้องคิดเลยติไปไม่คิดเลยเลยเนี่ยเอาไว้อย่างนั้นนะ่ะ มันก็เป็นเรื่องธรรมดาเมื่อตอนที่เราไม่ได้มาปฏิบัติเนี่ยเราไม่คิดเลยเมื่อที่เราคิดมากอันนี้ถูกซ้ำไปแต่เราไม่รู้พอเรามาปฏิบัติแม้แต่คิดนิดเดียวเราก็มีสติรู้ทันแล้วคิดนิดเดียวก็มีสติรู้ทันแล้วแสดงว่าตอนที่เราไม่ได้ปฏิบัติมันก็คิดตอนที่ปฏิบัติมันก็คิดแต่ตอนนี้เราคิดอย่างรู้ตัวถ้าเาเจอสติ แล้วมีความผิดมากถือว่าเรามาถูกทางแล้วมันก็เห็นความเป็นธรรมดาของใจแล้วที่มันชอบคิดเวลามันคิดเนี่ยเราก็แค่มีสติรู้ทันเท่านั้นมันผิดตรงที่ว่าเราไม่อยากให้มันคิดเราไม่ชอบความคิดตอนนี้ตั้งหาที่เราปฏิบัติไม่ถูกทางอย่าลืมนะยิ่งห้ามมันยิ่งคิด ยิ่งไม่อยากให้มันเกิดมันยิ่งเกิดมันเป็นเรื่องธรรมดาความคิดเนี่ยบางทีมันก็คิดบางทีมันก็ไม่คิดเพราะความคิดมันก็มีเที่ยงมันเป็นสิ่งที่เกิดดับมันไม่มีตัวตวนอยู่จริงหรอเราจะเข้าใจความคิดมากขึ้นเราจะไม่เป็นทุกข์กับความคิดแต่เราสามารถที่จะใช้ความคิดที่คิดด้วยสติด้วยปัญญาเอามาทประโยชน์กับเราได้ ถ้าเราจะเอาความคิดมาใช้เกิดประโยชน์เราต้องเข้าใจแล้วก็รู้จักความคิดให้แท้จริงเสียก่อนตอนนี้เรากาลังเรียนรู้ทำความรู้จักกับความคิดว่าเป็นยังไงและต่อไปเนี่ยเราจะใช้ความคิดได้ดีมากนี่พอมันมีความคิดมีสติรู้ทันเราก็ได้สติแล้วแล้วก็ถ้าเรานั่งอยู่มันคิดเยอะแล้วก็เปลี่ยนียาบทเปลี่ยนไปเดินบ้าง เนี่ยน้าบ้างสลับกันพอเราจเจริญสติมากขึ้นตอนนี้อย่าพ่งไปยุ่งกับเรื่องของความคิดฝึกสติรู้กับกายเคลื่อนไหวก่อนให้สติมันมากขึ้นกนให้แมวมันตัวโตพอแมวตัวโตแล้วมาถึงสติมากแล้วเนี่ยความคิดลิ้นหนูเนี่ยมันก็จะลดน้อยลงไปเองความคิดไม่ใช่ปัญหานะความคิดเป็นบทเรียนให้เราฝึกเจริญสติ เวลาไปปฏิบัติอย่าไปเป็นทุกข์กับความถ้าก็ขอบคุณมันมันจะได้เกิดปัญญาขอบคุณมันสร้างความคิดเราจะได้มีสติมีปัญญาปัญหายอย่างหนึ่งของนักปฏิบัติก็คือการอยากจะได้ผลอยากได้ผลจากการปฏิบัติมากเกินไปไอ้ความอยากได้ผลจากการปฏิบัตินี่แหละความอยากแบบเนี้ยทำให้เราเกิดการเคร่งเครียดเราจะเพ่งเราจะเพ่งรเราพยายามบังคับ เพมันเกิดผลเราก็เป็นเครียดไปผลการปฏิบัติเนี่ยมาอยู่ที่การปฏิบัติอยู่แล้วอย่าไปรอว่าจะได้ผลอะไรเรามาที่เนี่ยเรามาเจริญสติเรามาทำความรู้สตกวใช่ไหมเนี่ยคือประเด็นสำคัญที่เราต้องทำตรงนี้ก่อนไล้ลองพลิกมือซีปริกมือขวาในท่าตะแคงพลิกมือขวาในท่าแะแคง รู้สึกไหมมันก็ได้แล้วก็ยกมือแล้วก็รู้สึกก็ได้แล้วเอามือเข้ามามรู้สึกไห ม, มก็ได้แหละติ๊กมือซ้ายรู้สึกไห ม, มก็ได้ผลแล้วยกมือขึ้นมารู้สึกไหมได้ผลแล้ว ก็รู้สึกตัวมันก็ได้ผลอยู like ah, right. oh cool. ่ตรงนั <t mp ing noise> ้นแล้วและไปรอผลอะไรอีกวะผลที่รอเนี่ยมันรอเกิดจากอนาคตนะพริกมือที่ปัจจุบันรู้สึกตัวเนี่ยจบแล้วด้วยรู้สึกตัวเนี่ยเราก็ได้ผลอยู่แล้วในปัจจุบันนะครับที่เราทํามันได้อยู่แล้วในที่เราทําอยู่เราพริกมือแล้วรู้สึกเนี่ยมันได้ผลพรุ่งนี้หรือเดี๋ยวนี้ไปรอพรุ่งนี้เนี่ยมันไม่มีหรอก แต่เดี๋ยวนี้มันมีแล้วมันยากอยู่ตรงที่เราต้องการผลแต่เป็นง่ายอยู่ที่การสร้างเหตุไอ้ผลที่รอข้างหน้าเนี่ยมันยังไม่เกิดขึ้นอย่าไปรอแต่เดียเ๋ยวนี้ปัจจุบันเนี่ยพลิกมือรู้สึกในปัจจุบันเนี่ยมันได้แล้วได้แล้วพลิกมือเป็นการสร้างเหตุแล้วรู้สึกว่ามันมีการเคลื่อนไหวเนี่ยมันเป็นผล สร้างเหตุมากๆเถอะคนก็จะเกิดขึ้นเองเหมือนอย่างเราจะอยากได้เงินสักร้อยหยวนนะเงินหนึ่งร้อยหยวนเนี่ยบางทีเราไม่ได้ทีเดียวร้อยหยวนแต่ต้องเก็บทีละหยวนเก็บทีละหยวนไปเก็บเป็นนานเก็บเป็บ่อยเนี่ยมันก็ได้เงินร้อยหยวนแล้ครับคลิกมือรู้สึกได้แล้วหนึ่งหยวนยกมือเรารู้สึกได้แล้วเป็นสองหยวนเอาไปเข้ารู้สึก3ามหยวน ทำเยอะเดี๋ยวรับรองเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านหยวนทํำบ่อยๆเถอะอันนี้เล่ะจะไปรอผลในอนาคตพวกเราัาจะทําอะไรวันนี้ปั๊บรอในอนาคตทําวันนี้มันก็ได้วันนี้แล้วละ่ะ<ม>ทำเดี๋ยวนี้ได้เดี๋ยวนี้แล้วละ่ะ ป, ปัจจุบันอย่าไปรอในอนาคตวันนี้เราตายซะก่อนเอาตอนนี้ได้ก่อนดีอยู่แล้วละ่ะผลของการปฏิบัต ในตอนนี้เราทำมาสี่วันแล้วผลของการปฏิบัติเนี่ยผมคิดว่าทุกคนเนี่ยจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงทางจิตบ้างจะชี้ให้ดูว่าเรามีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างคอยดูตัวเราให้ดีนะคอยสังเกตตัวเราที่เราพอจะแยกได้ไหมว่าระหว่างความมีสติกับการขาดสติเนี่ยมันต่างกันอย่างไรแยกได้ไหม แล้วเราสังเกต ด, ดูว่าตอนนี้เรามีสติมากขึ้นกว่าการที่เรายังไม่ได้มาปฏิบัติหรือเปล่าเรามีความรู้สึกตัวมากขึ้นหรือมีความหลงลืมตัวมากขึ้นกว่าเดิมเรารู้ทันจิตใจที่มันคิดบ้างไหมใจเราสงบลงมากกว่าเก่าหรือเปล่าเรามีความสุขมากกว่าตอนที่เรายังไม่มานี่หรือเปล่า เราขยันมากขึ้นไหมความทุกข์เนี่ยมันลดลงกว่าที่เรายังไม่ได้มาปฏิบัติหรือเปล่าชีวิตเรามีปัจจุบันอยู่กับปัจจุบันมากขึ้นกว่าเดิมไหมเรารู้จักตัวเรามากกว่าเดิมหรือเปล่าสาคัญที่สุดก็คือทุกข์มันลดลงกว่าเดิมไหมนี่คือผลจากการปฏิบัติที่เราจะรู้ได้ตัวเราเองไม่มีใครมารู้แทนเราได้ ใครมาบอกเราก็ไม่สู้เรามารู้จักตัวเราเองต่างหากปัญหาของการปฏิบัติที่เกิดขึ้นเนี่ยที่รว่ามันเป็นปัญหาเป็นเพราะเราไม่เข้าใจมันต่างหากหรือเพราะมันไม่ถูกใจเราเราจึงคิดว่าสิ่งนั้นคือปัญหาสิ่งที่มันเกิดขึ้นเป็นธรรมดาจะเป็นความง่วงความคิดความสงสัยความชิดเรียง อันนี้เป็นเรื่องธรรมดาทั้งนั้นน่ะแต่เพราะมันไม่ถูกใจเราเราจึงเห็นว่ามันคือปัญหาเพราะใจเรานั่นแหละตั้งไว้ผิดวางไว้ผิดต้องฝึกใจเราเนี่ยให้รู้ทันความเป็นธรรมดาให้ได้อย่างเช่นคนที่เป็นทุพความคิดมากคนที่เป็นทุพความคิดมากความคิดมากคนบอกว่าเราคิดมากนั่นเลยคนที่มีสติมาก ถ้าเราไม่มีสติมากเราจะรู้ได้ไงว่าเราคิดมากใช่ไหมเรารู้ว่ามันคิดมากเพราะเรามีสติมากต่างหากจึงรู้ mm. ว่ามันคิดมากแต่เราขาดสติที่ไม่รู้ทันว่าเราไม่ชอบใจความคิดไอการไม่ชอบทีคิดมากนั่นแหละ mm. การที่ไม่ชอบที่มันคิดมากนั่นแหละให้มสติรู้ทันซะการปฏิบั <Pharaoh. S 1> <afood. S 2> ติเน <S 1> <S 1> <ๆ>ี่ยไม่ใช่ให้มันสงบ แต่เพื่อให้มีความรู้สึกตัวต่างๆถ้าปฏิบัติแล้วสงบไม่คิดเลยเนี่ยมันผิดปกติเดินจงกรมทั้งวันมีความสงบในการเดินทั้งวันแต่เราไม่รู้สึกตัวเลยเนี่ยยังไม่ดีเท่ากับการเดินแล้วมีความคิดทั้งวันแล้วรู้สึกตัวได้เนี่ยอันนี้ดีกว่าคนบางคนปฏิบัติแล้วจิตสงบแล้วชอบในความสงบ แล้วขาดสติรู้ไม่ทันไม่มีสติรู้ว่าเรากาลังชอบอยู่นั่นคือหลงในความสงบแล้วไม่ได้ปัญญาแต่ถ้าคนที่คิดมากไม่สงบแต่มีสติรู้ทันในความคิดมากในความไม่สงบนั้นอันนั้นได้สติมากกว่าได้การปฏิบัติที่ถูกต้องกว่าปัญหาคือเราไม่เข้าใจมันและมันไม่ถูกใจเราเราไม่เข้าใจ และไม่ถูกใจเนี่ยให้มีสติรู้ทันเถอเนี่ยเราจะได้เกิดสติปัญญาเห็นความคิดที่มันไม่เที่ยงได้ความคิดก็ดีความว่วงก็ดีความสงสัยสิที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนะี่ยถ้าเราสามารถพอสติไปรู้ทันได้เนะี่ยเราจะได้เป็นการปฏิบททัติธรรมได้ตลอดทั้งวันเลยนั่นแหละคือแบบฝึกหัดเป็นบทเรียนให้เราจเจริญสติทั้งหมดเลย คนฉลาดเปลี่ยนปัญหาเหล่านั้นให้เกิดเป็นปัญญาด้วยการจิสตินี่แล้ว